ทันตัญหาและทิฏฐินี่นแหละเรียกว่าอุปาทานตัญหานั่ยแหละยึดก็เลยเรียกว่าทิฏฐิแล้วก็ตัญหาทิฏฐินั่นแหละเป็นเหตุแห่งกรรมเพตอนนั้นก็พอนั่งย้อนๆมาอย่างนี้แล้วนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่ไม่ใช่แต่ละคนที่สะสมไม่น้อยเลยนะก็ทําไม่มากแต่กรรมเหล่านั้นจะให้นําเกิดหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าตัญหาและอุปาทานถ้าหากว่าทํา ตัดต้นเหตุอันนี้ไม่สําเร็จนะกรรมนาเกิดแน่เอาแล้วตันหาอุปาทานเนี่ยนะมันเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากอะไรเกิดจากตันหาอุปาทานเกิดจากเวทนาเป็นปัจจัยในเอกสารหน้าหนึ่งถ้าเหลือบตาเปิดดูหน่อยก็จะเห็นแล้วเนี่ะแล้วในตันหาอุปาทานเนี่ยนะเนื่องจากมีเวทนาเป็นปัจจัยเนี่ยนะเวทนาเนี่ยเป็นปัจจัยหลักของตันหา อาแล้วเวทนาเนี่ยนะมันมาจากทวารไหนบ้างเวทนาเวทนาจากทางตาก็มีเวทนาจากทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจเพราะเวทนานะทั้งที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาเวทนาเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่ตัณหาหมดเลยเนี่ยนะไม่มีเวทนาไหนที่ไม่เป็นปัจจัยแห่งตัณหาไม่มี เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นเมื่อได้ยินเมื่อรู้กลิ่นน ะ, ะเวทนาเหล่านี่ยเป็นปัจจัยแก่ตันหาหมดเลยไม่เป็นตอนนี้ก็ตอนหลังเนะี่ยแต่ว่าที่แน่คือเป็นปัจจัยแก่ตันหาแน่เนี่ยนะแต่อาจจะตอนนี้ไม่เป็นสำนวนเขาบอกว่าเถาน้ํานมเถาน้ํานมอ่ะนะไม่รู้เถาประเภทไหนอันนี้จิจมปา ก, กันแล้วกัน ต้นจำปาลาวต้นไม้ที่มันออกยางได้นะออกยางเยอะๆเนี่ยนะเขาบอกว่าอย่าไปพูดนะว่ามันไม่ออกอยางถ้ามีอะไรไปกรีดหน่อยหนึ่งเนะี่ยออกแน่สมมุติถ้าคนทั่วทไปนะอย่าไปบอกนะว่าโอ้โหดูผิวดีเหลือเกินนะนะเพราะว่าเลือดจะไม่ออกเป็นได้ไหมพูดอย่างนี้ได้ไหมที่ไม่ออกเพราะไม่มีอะไรบาดเฉยๆหรอกอนะฉันใดก็ดีอย่างเวทนาที่เกิดในทวารหกนะอย่างไรเสียก็เป็นปัจจัยแก่กิเลสอยู่ดี นะไม่เป็นตอนนี้ก็ตอนหลังบางคนเนี่ยนะอย่างสมมุติว่าภาษะตอนนี้ไม่เป็นกิเลสตอนนี้นะ่ะมันไปเป็นกิเลสอีกสี่สิบปีข้างหน้าอย่างงี้ยนะบางคนเนี่ยไปเป็นกิเลสอีกหกสิบปีข้างหน้าไอ้ภาษะจากตรงนั้นแหะก็อย่างที่ในพระไตรปิฎกท่านว่าสมัมมเนรีกับสมัมมเนนใช่ไหมแค่ว่าสมัมมาเรีเนี่ยเขาไอ้ถวายไอ้ที่รองบาทเท่านั้นแหละให้สมัมมเณนองค์หนึ่ง แล้วก็จากกันเนี่ยหกสิบปีะนะแล้วก็ไปเจอกันยังสึกทั้งคู่เลยว่า ง, งั้นเถอะก็ไอ้แค่ถวายอันนั้นแหละเพราะฉะนั้นภาษาและเวทนาทุกภาษาเวทนานะ่ะเป็นปัจจัยแก่ตัณหาได้หมดอ่ะนะจะยาวจะจะสั้นจะใ ก, กล้จะไ ก, กลนี่ก็แล้วแต่ปัจจัยสนับสนุนด้านอื่นๆ อ, อีกนั้นเวทนาเหล่านี้นะที่เห็นที่ได้ยินเนี่ยเป็นปัจจัยแห่งตัณหาหมดเลยอ่ะแล้วเวทนามาจากไหน มาจากผัสสะใช่ไหมทีนี้ผัสสะนี้พระองค์อุปมาเหมือนกับแม่โคที่ถูกปอกหนังมันผัสสะทุกทวารน่ะวแล้วถ้าทานับโดยปริมาณผัสสะเนี่ยนับไม่หวาดไม่ไหวนะวันนี้เห็นกี่สีแล้วเห็นคนกี่คนเนี่ยนะทุกคนที่เห็นนะหรือว่าเห็นเสื้อกี่สีแล้วเนี่ยนะทุกนั้นน่ะถือว่าถือหนึ่งสีก็หนึ่งผัสสะ ทีนี้ในสมมุติว่าเห็นหนึ่งคนนะเหลือบตากระพริบตาหนึ่งครั้งก็ถือว่าหนึ่งภาษาแล้วกระพริบตากี่รอบก็เท่าภาษาจํานวนเท่านั้นนะ่ะนั่นแหละคือปัจจัยของเวทนาทั้งหมดแหละหนงวันหนึ่งเนี่ยภาษาไม่ใช่น้อยแล้วทวานหูอีกละเสียงอ่นนะนะไม่ว่าจะเป็นเสียงเล็กเสียงใหญ่เสียงสัตว์เสียงอะไรก็ช่างเถอะที่ให้มันเป็นเสียงแล้วได้ยิน น, ะนั่นเป็นภาษะหมดเลยถือว่าหนึ่งภาษาหนึ่งเสียงก็หนึ่งภาษาอย่างถ้าฟังมาพูดหนึ่งชั่วโมงนะสมมติว่าหนึ่งชั่วโมงกี่คํำดิ อันนั้นทีกี่คำเนะก็เบ็ดเสร็จแล้วไม่ต่ำกว่าเป็นพันคำละเนี่ยนะไม่ต่ำกว่าพันคำอ่ะนะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเพปันหนึ่งคําก็ถือว่าหนึ่งพรษาแล้วไอ้หนึ่งคำแล้วไปคิดตามไปนั่นอีกก็อันนั้นพรรษาทางมโนทวานนั้นอีกต่างหากมันนะแล้วทวานตาทวานหูและจมูกอ่ะถ้าเป็นอยู่บางแห่งนะปรารบกลิ่นเมื่อไร่แล้วหายใจแล้วเนียทุกครั้งนั้นก็ถือว่าหนึ่งพรษาแล้วทวานลิ้นอ่ะแต่ละรสนะปลารบ สมมตนะิอาหารหนึ่งคำนะปรารบเปรี้ยวก็หนึ่งภาษปลารบเค็มก็หนึ่งภาษาปรารบขมก็ห น, นึ่งภาษาโอ้แล้ววันหนึ่งเนี่ยตั้งหลายคำใช่ไหมถ้ายิ่งอมด้วยแนละ้วก็เด้งโอ้โหภาษาทวารลิ้นเนี่ยมากแล้วทวารกายอ่ะตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยเนี่ยนะตั้งแต่หัวจรดเท้าจรงิงๆกันนะแม้กระทั่งถ้าจรดหัวก็คือหวีผมนะนะท่าหน้าก็มีมีการล้างหน้าเป็นต้นก็ถือว่าหนึ่งภาษฟันก็แปรงฟันก็หนึ่งภาษายกมือหนึ่งครั้งเนี่ยนะมีภาษาก็หนึ่งะภาษะ อันนะนั้นก็หัวโจรถาสภาษาหมดเลยอันนะั้แล้วเรื่องราวในโลกนะวันนี้คิดไปกี่เรื่องแล้วล่ะนั่นก็มโนภาษะมโนสัมผัสนั้นภาษาในทวารหกภาษาเท่าไหร่นะเวทนาจะมีเท่านั้นเนี่ยถ้าภาษามากเวทนาก็มากถ้าเวทนามากก็วัตถุดิบแห่งปัญหาบริบูรณ์อันนะัดีนะโอเรามีวัตถุดิบเต็มไปหมดเลยนะพันไม่ไม่ค่อยดีสิ อันนะั้ <c oughs> เหลือเฟือเลยนะพร้อมที่จะหัวเราะ ก, ก็ได้เอาพร้อมที่จะร้องไห้ก็ได้เพราะเพาะไว้เต็มหมดเลยอ่ะแล้วภาษาพวกนี้มาจากไหนก็มาจากแผลทั้งหกแผลนั่นแหละอ่ะบางทีอยตนะนะบางสูตรนี้ใช้ครับตรงๆแล้วว่าเรียกว่าแผลอ น, นะัตาก็เป็นแผลอย่างหนึ่งอันนะั้นหูจมูกลิ้นกายก็เป็นแผลเพราะฉะนั้นรับทวารไหนก็รับทุกแผลว่า ง, งั้นเถอะ แผลตั้งหกทวารเมื่อกี้นี่บอกว่าเพิ่งเห็นภาษาเหมือนโคนหนังปอกใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนี่แหละโอ้ยตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละคือตัวแผลและนะใจก็เป็นแผลมั้นก็รับไปเถอะแล้วแผลเราเนี่ยเกิดจากอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากถ้าแผลที่เป็นกายเนี่ยเกิดจากรูปอันนะีแผลที่เป็นกายเนี่ยนเะช่นแผลคือตาหูจมูกลิ้น กายกายะภาษาธะเนี่ยนะก็เกิดจากธาตุสี่ถือว่ารูปเป็นปัจจัยเนี่ยนะธาตุสี่ปัทวีเท่าไรนะนะพูดแบบเต็มปัทวีก็ยี่สิบอาโปสิบสองวายโหยกเตโชสี่เนี่ยนะก็อันนี้แหละรวมทำงานประชุมกันเบ็ดเสร็จก็เป็นผลออกมานะผลของธาตุเหล่านี้ประชุมกันเป็นแผลตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะ ทนี้ไอแผลเหล่านี้นะเช่นตากับสีเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่นามอีกอย่างหนึ่งเรียก่าจิตเห็นเนี่ยนะก็เป็นปัจจัยแก่มนายตนะตากับสีจิตเห็นเกิดนะจิตเห็นเรียกว่ามนายตนะเหมือนกันนะโอกระเสียงเห็นไหมก็เป็นผลให้เกิดมนายตนะคือโสตะวิญญาณจมูกกับกลิ่นทําให้เกิดมนายตนะคือคานวิญญาณเนี่ยนะลิ้นกับรส ก็เป็นปัจจัยให้แก่มานายนตนะคือเชีวหาวิญญาณถ้ากายกับโพธะก็เป็นแผลให้เกิดมานายตนะคือกายะวิญญาณเนี่ยนะแล้วก็หัยะเนี่ยนะก็เป็นวัตถุของมโนวิญญาณ น, นะนะเสร็จแล้วผวังล่ะผวังมันมาจางไงก็กรรมในอดีตนั่นแหละเป็นปัจจัยแต่ก็ต้องอาศัยวัตถุนี่แหละเป็นปัจจัยเนี่ยนะ พังก็อายตนะทั้งหเหล่านี้มีนามรูปเป็นปัจจัยเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะมีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปมีอะไรเป็นปัจจัยตัวหลักประทานจริงๆอ่ะมีจิตเป็นปัจจัยเรียกว่าวิญญาณ น, นะคือจิตตัวเนี้เน้นจิตประเภทไหนก็ต้องเอาจิตที่เป็นหลักก่อนจิตที่เป็นหลักจริงๆเรียกว่าภาวังคขจิตเนีย่ยนะภวังคจิตเป็นเป็นตัวกําหนดว่าใครเป็นใครอ่ะ น, นะ เพราะงั้นก็เอาผวังขจิตนี่แหละเป็นหลักแล้วผวังขจิตเนี่ยเริ่มแรกเมื่อไร่เมื่อปฏิสนธิเนี่ยนะก็ปฏิสนธิวิญญาณอย่างลงนามรูปก็อย่างลงเมื่อนามรูปอย่างลงอายตนะก็อย่างลงเมื่ออายตนะอย่างลงเนี่ยอายตนะค่อยเจริญเติบโตก็แผลก็เต็มไปหมดเลยเป็นตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะแล้วก็รับรู้เรื่องราวแบบเพ น, นินแล้วปฏิสนธิอันนั้นมาจากอะไรก็มาจากกรรมอีกนั่นแหละนะสังขารก็คือกรรม แล้วสรุปแล้วอดีตแล้วมันมาไงก็อวิชานั่นแหละท่านก็ย้อนคิดแบบนี้นะสรุปว่าเพราะอวิชานั่นแหละเป็นปัจจัยจึงทำกรรมกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีปฏิสนธิปฏิสนธินั่นแหละเป็นปัจจัยจึงอย่างลงสู่นามรูปการเจริญเติบโตของนามรูปนั่นแหละเป็นอายตนะเนี่ยนะเป็นตัวให้ก่ออายตนะเกิดขึ้นอายตนะเป็นปัจจัยก็เลยเกิดภาษาภาษะเป็นปัจจัยก็เลยมีเวทนาใช่ไหมวัตถุดิบของตันหาเตมไปหมดเลยอย่างนี้ พอตันหาเกิดอะไรเกิดยึดน่ยนะอุปาทานก็ตันหานั่นแหละอุปาทานอันเดียวกันพรออุปาทานเกิดก็ไม่กายกรรมก็วจีกรรมไม่วจีกรรมก็มโนกรรมอ่ะนะสรุปแล้วต้องทํากรรมเพราะเพราะผู้ที่ไม่ทํากรรมมีอยู่อย่างเดียวคือพระอรหันต์ผู้ที่เหลือทํากรรมหมดเลยเพราะพระอรหันต์ทำลายซี่กรรมเบ็ดเสร็จเลยก็เลยเรียกว่าท่านไม่ทํากรรมพระอรหันต์อรหันต์นี่แปลว่าทําลายซี่กรรมใช่ไหม คือท่านหักกรรมหมดแล้วแต่บุคคลทั่วไปนี่กรรมถ้ากรรมก็อะไรผลของกรรมก็ทําให้ชาติใหม่พอชาติอันนี้สองที่เห็นอยู่ก็คือชราและมรณะถามว่าไอชรามรณะจริงๆมันคืออะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอันนี้แหละคือตัวชราและมรณะบ่งว่ามีอะไรอีกไอชราตัวนี้แหละเป็นปัจจัยจึงทําให้เกิดภาษาเอก ภาษาก็เป็นเหตุแห่งเวทนาเวทนาก็เป็นเหตุแห่งตัณหาตัณหาก็เป็นเหตุแห่งอุปาทานปาทานก็เป็นเหตุแห่งพบ พ, บพบก็นำปฏิสนธินะสังสารวัตก็ล่องลอยไปอย่างนี้เท่านั้นแหละถามว่าในธรรมชาติที่เป็นไปเหล่านี้มีใครอยู่ในนั้นไหมท่านก็เลยเรียกว่าสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นยนชนิดหนึ่งก็คืออาศัยการประกอบกันขึ้นทั้งหมดท่านเลยใช้คําว่าปฏิจจสมุปบาทหรือทัพปัจจยตาเนี่ยนะว่า ธรรมะเหล่านี้อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเป็นไปแบบนี้นะก็คือมองชีวิตให้เป็นเหมือนกับรถก่อนแล้วค่อยค่อยพิจารณาอะไรที่เป็นไปนะแต่ถ้าสำคัญว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นชีวะอยก็ถือว่าไม่ใช่แนวคำสอนแหละเพราะว่าตามคำสอนแล้วก็อาศัยองค์ทัพสัมภาระประชุมกันขึ้นเท่านั้นเองความเป็นศัตร์จริงๆไม่มี ก็สรุปว่าอิมัสะเกวรัสะทุกขขันธะสะสมุทะโยโหติกองแห่งวัตทุกข์เนี่ยเป็นไปอย่างนี้นะกองแห่งวัตทุกขเนี่ยเป็นไปอย่างนี้เสร็จแล้วพระองษ์ก็พิจารณาย้อนกลับมาเอกว่าเอ๊ชรามรณะเนี่ยนะถ้าจะดับโดยไม่มีส่วนเหลือถ้าจะไม่ให้มันมีเลยอะ่ะต้องดับอะไรถ้าชาติไม่มีใช่ไหมชรามรณะเหล่านี้ต้องหมดเป็นแน่ต้องไม่มีชาตินะถ้าไม่มีชาตินะพ้นแน่ แต่ความแก่ทั้งหลายเราเนี่ยไม่มีแต่ว่าวิธีการของพระพุทธเจ้ากับวิธีการไปทําหมันเป็นต้นคนละสายกันเลยเนาะคนละเรื่องคนละราวกันไม่ใช่หมายของว่าถ้าไม่มีเกิดคือไปทําหมันทให้มันหมดแก้ปัญหาด้วยการไปทําหมันคุมกําเนิดไม่ใช่ในส่วนนั้นคนละเรื่องกันเลยคนละสายกันแต่ที่นี้เน้นว่าเอ๊ะทํายังไงจึงจะไม่ปฏิสนธิสายกลางนอกแล้วก็คุมการเกิดแต่คุมคนอื่นมันไม่คุมตัวเองอะไรหรอก ไม่ได้คุมตัวเองไม่ให้เกิดนะแต่ว่าสายธรรมะเราเนี่คือคุมตัวเองไม่ให้ปฏิสนธิไม่ได้ไปห้ามคนอื่นเขาทีนี้เอ๊ะถ้าไม่เกิดอ่ะไม่เกิดก็ต้องทํายังไงจึงจะสิ้นกรรมล่ะถ้าสิ้นกรรมก็สิ้นเกิดเอ๊ะทํายังไงจะสิ้นกรรมก็ต้องสิ้นตัณหาเอ๊ะทํายังไงจะสิ้นตัณหาก็ต้องสิ้นเวทนาเอ๊ะเวทนานี่มันก็ต้องอาศัยผัสสะมันต้องสิ้นผัสสะนะจึงจะสิ้นเวทนาได้ใช่ไหม เอาแล้วทำยังไงภาษาจึงจะหมดไปก็ต้องหมดอายตนะทำยังไงอายตนะจึงจะหมดไปล่ะต้องหมดที่ไหนนามรูปจะหมดนามรูปได้มันต้องหมดจิตถ้าหมดจิตได้มันต้องหมดปฏิสนธิทำยังไงจึงจะหมดปฏิสนธิก็ต้องหมดกรรมทำยังไงจึงจะหมดกรรมก็บอกว่าต้องทาลายอวิชชาซะถ้าหากว่ายังปล่อยให้อิสระใหญ่อันนี้ดาเนินไปนะ วัตตะเป็นเช่นนี้แหละว่างั้นผลสีษะใหญ่ก็คืออวิชชาอาวิชชานี้ท่านอุปมาเหมือนกับความมืดหรือความไม่รู้ถ้าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความมืดกับความไม่รู้นั้นก็คือวิชชาใช่ไหมอวิชชาไม่รู้อะไรบ้างทุกเขอัญญานังไหมไม่รู้ในทุกทุกขสมุทะเยัญญานังไม่รู้ในทุกขสัมมุทยายสไม่รู้ในทุกขานิโรธสี่ไม่รู้ใน ทุกข์นิโรธะคามินีปฏิปทาอันนั้นแหละเรียกว่าอวิชาก็มามีวิชาขึ้นให้อริยสัจเกิดขึ้นเนี่ยแทงตลอดวันนี้ทุกนิทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาถ้าพูดอย่างนี้นะเรียนพุทธคุณมาแล้วนี่สบายมากเลยใช่ไหมอริยสัจนี้ประชุมได้ในอะไรบ้างอะทวารหกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะทุกบทประมวลลงอริยสัจได้หมดเลยใช่ไหมเช่น จกักคูจัคคูสมุทยัยจักคูนิโรธจักคูนิโรธัค า, ามินีปฏิปทาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจก็เหมือนกันนะเช่นมโนโมโนโสมุทยัยมโนนิโรธมโนโนิโรธัค า, ามินีปฏิปทาอารมณ์6นะเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐ พ, ทาพาัทธมรมณ์วิญ ญ, ญ, ญาณ6กจัคคูวิญญาณเป็นต้นปัสสะหเวทนา6สัญญา6เจนตนหาหกตัณหา6วิตกหกวิจารห6ทุกบทนี่ประมวลลงอริยศาสตร์ได้หมดเลย ซึ่งประตูแห่งการแทงตลอดอริยสัจ ท, ที่พระผู้มีพระภาคหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วแสดงไว้มากมายมากมายจริงๆแล้วก็ยังประมวลมาเป็นขันอายาตน า, าธาตุอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทเป็นภพเกเป็นธาตุสภพเกเป็นรูปปัจจันทอรูปปัจจัน4ีอัปปมัญญาอีกสแล้วก็ยังมีตระกูลอนุสติสิบมีสัญญาสิกสินสิมาประมวลให้แทงตลอดอริยสัจไว้เยอะแยะไปหมด เพราะฉะนั้นถ้าแทงตลอดอริยสัจในส่วนนั้นๆนได้วิชาก็เกิดขึ้นใช่ไหมถ้าวิชาเกิดขึ้นสิ่งที่ทําลายออกไปก็คืออวิชาเพรา ะ, ะก็เลยใช้คําว่าสํารอกอวิชาโดยไม่มีส่วนเหลืออะไรดับสังขารก็ดับไอความเป็นกรรมเนี่ยหมดนะแปลงนักกรรมเนี่ยสิ้นไปเพราะสิ้นอวิชาเอาทีนี่นะี่คือคือตามคําสอนของเรานะ ความเป็นกรรมจักถึงความหมดไปเพราะสิ้นไปแห่งอวิชชาผลถ้าสํารอกอวิชชาโดยไม่มีส่วนเลือนะสังขารดับเจตนากำนี่หมดสภาพเลยนะถ้าเจตนากรรมหมดสภาพปฏิสนธิก็ไม่หยางลงแปลว่าวิญญาณก็ไม่หยางลงถ้าวิญญาณไม่หยางลงนามรูปก็ไม่หยางลงถ้านามรูปไม่หยางลงอายตนะก็ไม่เกิดถ้าอายตนะไม่เกิดภาษาก็ไม่มีถ้าภาษาไม่มี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 ตันหาก็ดับน่ยนะถ้าตันหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพดับถ้าภพดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชราและมรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตก็ดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลก็จะมีด้วยอาการอย่างนี้อันนี้เครียกว่าสายนิโรดนิโรดนี่นะแต่พระองค์เนี่ยไข้ครวญสิ่งเหล่านี้อยู่สี่ชั่วโมงด้วยกันพออารุณ์ขึ้นตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะก็สรุปแบบที่ที่บอกว่าอาสวัคยยานที่พระองค์ตรัสรู้ก็คือ ตรัสรู้ว่าชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธาคารมินีปฏิปทานะก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยอย่างเงี้ยชาติชาติสมุทัยชาตินิโรธชาตินิโรธคามินีปฏิปทาพบเนี่ยนะพบพบสมุทัยพบนิโรธพบนิโรธาคามินีปฏิปทาย้อนไปอีกก็เป็นอุปาทานนะแต่โดยทั่วไปจะใช้คําว่าอาสวะอาสวะสมุทัยอาสวะนิโรธอาสวะ นิโรธคามมินีปฏิปทาก็อันเดียวกันตันหาตันหาสมุไทยตันหานิโรธตันหานิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะเวทนาเวทนาสมุไทยเวทนานิโรธเวทนานิโรธขามมินีปฏิปทาภาษาภาษาสมุไทยภาษานิโรธภาษานิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะสลายตนะสลายตนะตัวนี้นิยมใช้คําว่าภาษายตนะ ก็คือสลายยตนาสลายต 900, ลายตนาสมุ ท, ทยัยสลายยตนานิโรธสลายยตนานิโรธคขาม่นีปฏิปทาก็นามรูปนามรูปสมุทัยนามรูปนิโรธนามรูปนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะย้อนเมก็วิญญาณวิญญาณสมุ ท, ทยัยวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธคขาม่นีปฏิปทาก็สังขารสังขารสมุทัยสังขานิโรธสังขารนิโรธคาไม่หนีปฏิปทาแล้วก็อวิชชาอาวิชชาสมุทยัยอวิชชานิโรธ อวิชฐานนี่โรธ่าขามินีปฏิปทานนะนั้นการแทงตลอดหรือการตรัสรู้ในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเรียกว่าบรรลุอะไรอริยสัตนี่นะเรียกว่าแทงตลอดอริยสัตว์ทีนี้อริยมรรคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกิดเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเนี่ยนะพิจารณาปฏิจจสมุปบาทแล้วพรวดไปถึงอรหัตมรรคเลยที่ไหนใช่ไหมเป็นอย่างนั้นไหมเป็นยังไงมาอกพิจารณาจบ โอ้อรหัตมมรเกิดเลยเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นอย่างนั้นเพราะยังไงเสียมรรคก็ต้องโดยลําดับ น, นะเพราะเจริญวิปัสสนาเพื่อให้โสดาปฏิมรรคเกิดโสดาปฏิผลเกิดปัจเจกขณะยานเกิดมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก็พิจารณาปฏิจจาอีกนั่นแหละแล้วก็ตรัสรู้อริยสัจ ร, รอบสองก็เรียกว่าอะไรสกะทาคา ม, มีมรรคก็เกิดเนี่ยนะก็ ผลจิตลงปัจเจกขณะยานก็พิจารณาปฏิจจ์อีกครั้งนั่นแหละเจริญวิปัสสนาอีกรอบหนึ่งอนาคามีมัชย์ยงจะเก like like so ิดเห็นไหมเสร็จแล้วพอพิจารณาพออนาคามีมัชยเกิดอนาคามีผลปัจเจกขณะยานเกิดก็เจริญวิปัสสนาใหม่เห็นไหมก็จึงอรหัตตมัชยเกิดพออรหัตตมัชยเกิดอรหัตตผลจิตก็เกิดอรหัตตผลจิตเกิดปัจเจกขณะยานพระองค์ก็เกิดพร้อมกับสว่างพอดี อรุณขึ้นพอดีนะเพราะฉะนั้นแรมหนึ่งค่ำก็เป็นวันถือว่าตรัสรู้ในแรมหนึ่งค่ำเช้ามืดอะไรเงี้ยเนอะสว่างพร้อมกับอรุณขึ้นนะ น, นสัพพัญยุตยานของพระองค์ก็เกิดขึ้นเพราะถือว่าอารหัตตมรรคของพระองค์นี้เป็นปัจจัยแห่งสัพพัญยุตยานเนี่ยนะว่เป็นปัจจัยแห่งสัพพัญยุตยานหลังจากนั้นพระองค์ก็เข้าพระสมาบัตินี่นนะเข้าอารหัตผลสมาบัตริระดับฌานสี่ ก็ที่ที่เกิดจากการบรรลุมรรคผลเนี่ยนะทีนี้ก็เข้าพระสมาบัติหลังจากเข้าพระสมาบัติตกคืนนั้นอีกพิจารณาปฏิจจะใหม่เนี่ยนะในหน้าที่เรากําลังดูหน้าแรกเลยนียคือข้อความตรงนี้คือเท่ากับว่าในคืนของวันปาฏิบดกก็เท่ากับแรมหนึ่งคัมวันแรมหนึ่งาัมพระองค์ก็พิจารณาปฏิจจะสมุป บ, บาททั้งคืนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะ พงพิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งคืนนี่นะมีอยู่สองอคืนวันปฏิบบทครั้งหนึ่งแล้วก็วันที่วันคืนของวันที่7อีกครั้งหนึ่งก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าโหกว้างขวางมากไอ้ความกว้างขวางขอ ง, งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ถามว่าควรจะขนาดไหนก็คิดอย่างที่เคยเล่า ว, ว่าหายใจฮึดหนึ่งระลึกได้9 1กลับเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นว่าไอาระหว่างการพิจารณาของพระองค์แต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงเนี่ยจะ ก, กว้างขวางขนาดไหน น, นะก็อย่างในข้อความในวินัยปิฎกเนี่ยนะโพธิกถาว่าโดยสมัยนั้นสมัยนั้นคือสมัยในคืนของวันปาติบทวันปาฏิบทก็คือคืนของวันแรมหนึ่งค่ำเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าแรกตรัสรู้ ประทับอยู่ณควงไม้โพพฤกเนี่ยนะใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราในอุรุเวลาประเทศก็คือที่ที่โพที่บัลลังนั่นแหละครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งด้วยบัลลังเดียวสเสวยวิมุตติสุขณ์ควงไม้โพพฤกตลอดเจวันนะนะแต่นี้ข้อความที่จะเอามากล่าวนี้เอาในคืนของวันปาิบทก็คือหลังจากบรรลุสมมติว่าเช้ามืดบรลุใช่ ตกคืนนี้พิจารณาปฏิจจัยอีกครั้งหนึ่งแล้วพิจารณาพิจารณาทั้งคืนด้วยนะวัไ่ไหนพิจารณาสักสิบนาทีหนาทีไม่ใช่อันนี้พิจารณาทั้งคืนอะนะ